ข้อที่45ในอดีตการแม้พี่ชายของนิกรนชื่อว่าทีฆวิถะในอัธภาพประมาณ60โยธเป็นผู้หงายตกไปถูกไฟไหม้อยู่ในมหานรกสิ้นสี่พุทธนดรเพราะกรรมที่ตนถือชั่วตระกูล500ตระกูลซึ่งชอบใจทิตฐิของเขาเข้าถึงความเป็นสหายของเขานั่นแหละก็ถูกไฟไหม้อยู่ในมหานรก เรื่องนี้มาในอัตกถา